ศิขาบทวิพัง549าคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุเมียธิบายว่าที่ชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่าสีดำมีสองชนิดคือ ดำตามธรรมชาติหรือดำเพราะยอมที่ชื่อว่าสันถัดได้แก่ผ้ารองนั่งที่หล่อไม่ใช่ทอคําว่าใช้ให้ทํำความว่าภิกษุทําเองหรือใช้ให้ทำต้องอบัติทุกกดเพราะพยายามสันถัดเป็นนิสกีเพราะได้มาคือเป็นของจําต้องสละแก่สง์แก่คณะหรือแก่บุคคลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงสละสันถัดที่เป็นนิสกีอย่างนี้